วันนี้ก็เป็นคืนวันที่สองกุมภาพันธ์ 2,561 ้าหกอดการบรรยายที่อิวะู้สูนสองวันนี้เป็นวันที่สของการปฏิบัติหลักสูตรนี้ก็มุ่งเน้นไปที่ที่การปฏิบัติ อาจจะมีเทคนิคการนั่งสมาธินอกจากที่จะรู้ลมหายใจก็ให้ปูพื้นไปสู่จิตตั้งมั่นไปเลยแล้วก็ฝึกตามนั้นให้จิตตั้งมั่นตามมา ความจริงถ้าเราฝึกภาณนาปานาสติไปอย่างต่อเนื่องจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นโดยลำดับอยู่แล้วจนกระทั่งเข้าถึงฌานต่างๆแต่ว่าหลายท่านด้วยความที่ทําไม่ปฏิประต่ะตอมาเจ็ดวันแล้วก็ทิ้งไปสามเดือนทิ้งไปปีหนึ่ง มันก็จึงเป็นการยากที่จะให้ตั้งมั่นตื่นขึ้นมาฉันก็เลยฝากวิธีเอาไว้ถ้าท่านเอาไปทำต่อเนื่องจริงๆก็จะได้เห็นผลขึ้นมาเพียงแต่ฝากเอาไว้นะว่าที่ผมย้ำว่าให้อมาม่านั่งอยู่ที่เก้าอี้ อย่าลุกออกจากเก้าอี้นะท่านจำเอาไว้ก็แล้วกันเพราะธรรมชาติของคนที่เข้าไปสังเกตด้วยวิธีนี้มันจะพลาดเขืออม่าจะลุกจากเก้าอี้แล้วก็เข้าไปตามหลังจากนั้นท่านไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า จากนั้นเราก็มาถึงเรื่องโลกนี้อยู่ที่จิตผมก็ให้ท่านเห็นว่าตาเห็นรูปคุณก็เข้ามาเห็นอยู่ที่ใจนั่นแหละสัมผัสรับรู้ความรู้สึกก็มาอยู่ที่ใจนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าเราเลยอะไรเลยมันไม่ได้มีตรงนั้นเลยเป็นแค่กระบวนการทํางาน ของผัดสาบกระทบทั้งตาหูจหมูกดิ้นกใจแล้วก็เข้ามากระทบกันไปเรื่อยๆมาสร้างโลกอยู่ในใจของเราทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเราได้ยินอะไรใครพูดอะไรดูอะไร <c oughs> ก็สร้างภาพปรุงแต่งตามขึ้นมาอยู่ในใจผมพูดเรื่องขี้หมาขี้หมาท่านก็สร้างขึ้นมาในใจทุกอย่างท่านก็สร้างขึ้นมาในใจ จริงๆเรจะบอกว่าท่านสร้างมันก็ไม่ได้ใช่หรอกนะก็เป็นการกระทบแล้วมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาโดย <c oughs> ไม่รู้ตัวเพราะมันเป็นกระบวนการมันไม่ใช่เราทีนี้มาเกิดการเข้าไปยึดถือภาพเหล่านั้นที่อยู่ในใจก็จึงก่อให้เกิดเป็นอารมณ์เมื่อเกิดเป็นอารมณ์วิ ญ, ญญาณก็ตั้งอาศัยทีนี้พอวิญ ญ, ญาณตั้งอาศัยก็ก่อให้เกิดเป็นภพก็ไปกันยาวล่ะทีเนี้ย แล้วก็ไม่รู้ตัวว่าทุกเกิดขึ้นมาตอนไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไงจะจัดการกับทุกได้ยังไงมาถึงวันนี้เราก็เลยต้องกลับมาที่สมาธิที่สติที่สัมปชัญญะ mm hmm. เพื่อจะตัดวงจรพวกนั้นให้ชะลอลงให้ขาดลงบ้างถ้าวงจรพวกนั้นสืบเนื่องต่อเนื่องเหมือนกับที่เราใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกไม่มีทาง ที่จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นความจริงไม่ว่าผมจะบรรยายไปอีกกี่สิบปีก็ตามคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ก็จะฟังกันต่อไปชอบฟังฟังโอ้เหมือนเข้าใจแต่ไม่ได้อะไรเลยนะมันไม่ลงไปถึงจิตถึงใจที่จะเห็นได้เพราะว่ามันสืบเนื่องมันโดนความหลงสืบเนื่องได้แต่คิดเอาที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมมีแต่สัญญานะแต่มันไม่ไปเกิดปัญญา เพรได้แต่ฟังได้แต่จำได้แต่วิเคราะห์ในสมองมันไม่เคยคบกับประสบการณ์จริงอย่างเช่นผมอธิบายให้ฟังว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนเปิดกระบวนการทุกอย่างไม่มีเราอยู่ตรงไหนเลยโอ้โหเข้าใจจริงๆไม่มีอะไรจะเข้าใจมากกว่านี้อีกแล้วพอปวดขาปั๊บเป็นไงทุกอย่างล้มเหลวผมจึงตั้งคำถามง่ายๆว่า ถ้ามีคนคนหนึ่งไม่รู้อิโนโอิเน่เลยมาถึงผมบอกว่านั่งอดทนนั่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงสองวันเปลี่ยนเป็นชั่วโมงหนึ่งวันที่ห้าเปลี่ยนเป็นสองชั่วโมงโอ้ห oh. ถ้าไม่ไหวออกที่ชั่วโมงอดทนไปโอ อ, อดทนเรื่อยๆหนึ่งเดือนผ่านไป สองเดือนผ่านไปไม่ต้องรู้หรอกว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนเริ่มค่อยๆนั่งได้กับคนที่ไม่ยอมนั่งคิดว่าตัวเองรู้แล้วเข้าใจทั้งนั้นว่าเวทนาไม่ใช่ตัวตนเป็นอนิจจังอนัตตาห้านาทีลุกสิบห้านาทีลุกเพราะฉะนั้นใครละ่ะที่จะเดินทางได้จริงๆ ระหว่างคนที่บอกว่ารู้กับคนที่ตั้งหน้าตั้งตาทำท่านวัดป่าทั้งหลายหรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสายพราะ ป, ปา่าเนี่ยท่านฝึกแบบนี้ท่านบอกว่าฟังแล้วได้อะไรอ่านแล้วได้อะไรอยู่ให้ได้บันเทอะ อยู่ให้ได้ก่อนอยู่กวาดลานวัดให้ได้ก่อนสามเดือนปีหนึ่งอยู่ให้ได้ก่อนอยู่ให้ได้นิ่งๆก่อนแล้วค่อยมาคุยกันท่านตื่นกันตีสองไม่มีหลุดกว่าตีสามไม่ว่าวัดไหนทำงานหนักกันทั้งวันอยู่ให้ได้ก่อน ทำง่ายกว่าคิดอย่ามัวแต่คิดทำให้มากๆเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่อยู่ในเมืองรู้เยอะไปหมดแต่ทำอะไรไม่ได้เลยชำระกิเลสไม่ได้เลยอย่างนี้เอาละสมมุติท่านกลัวตุกแกท่านกลัวตุกแกท่านกลัวงูท่านกลัว สคาบใสเดือนผมบอกเลยว่าความกลัวทั้งหลายมาจากการปรุงแต่งผมสามารถอธิบายท่านเข้าใจได้ถึงแก่นเลยท่านเจอครับกรีดเลยการที่จะออกจากความกลัวนั้ น, นคือเผชิญหน้ากับความกลัว แล้วอยู่กับมันแล้วอยู่กับมันแบบต้องอยู่ถ้ากุฏิมันมีตุกแกเน่มันย้ายกุฏิไม่ได้อยู่กับมันต้องอยู่จะอยู่แบบพังงะอยู่แบบผวาอยู่กับอยู่ไปหนึ่งเดือนผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปดูซิมันจะเป็นยังไงไม่ต้องรู้อะไรทั้งนั้น อย่างเนี้ยายังการปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยคืออย่างนี้ไม่ใช่คืออย่างนี้นะอ่าแล้วอาจารย์มาเปิดคอร์สทำไมเนี่ยนะจะเย็นเย็นใกล้เลิกแล้วใกล้แล้วใกล้จะปิดวิกแล้วเพราะตลอดสิบปีที่ผ่านมา มีแต่คนเข้าใจแต่ไม่ไปไหนเลยมีแต่คนเข้าใจสู้คนที่ไม่ได้รู้ขนาดนี้แต่เข้าใจใจของตัวเองดีกว่าเข้าใจใจของตัวเองดีกว่าคือรู้หมด ที่ปฏิบัติแบบเนี้ยรู้หมดแต่อดไม่ได้สักอย่างรู้หมดอดไม่ได้สักอย่างอดได้ก็แค่บีบบีบกลั้นไปได้ไม่กี่วันแล้วก็ปิ้นแปกคือการปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะเปิดคริมานนทสูตต่อไปแต่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไร ในคืนนี้เราจะมาดูกันเรื่องหนึ่งพวกเราเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมมาศึกษาก็คล้ายๆฝรั่งถ้าฝรั่งจะทำวิเคราะห์วิจัยเขาก็เข้ามาศึกษามานั่งฟังแล้วก็มานั่งวิเคราะห์วิจัยเราจะลองมาดูว่าในมุมของฝรั่ง เขาได้พบอะไรบ้างเพื่อเขาเข้ามาสังเกตกายกับใจของตัวเองลองดูสิว่าของเราที่เรียกว่านักปฏิบัติกับฝรั่งที่มานั่งสังเกตต่างกันไหมความลึกตื้นของความรู้ที่ได้รับต่างกันแค่ไหน เรื่องน่าสนใจเมื่อหลายวันก่อนในลอสแซงเจลิสมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกผมว่าสามีของเธอตายไปรอเรสักปีหนึ่งพราะ บ, บริเวณที่ดีบนเตียงที่เขาเสียชีวิตเขาพูดว่ามาใกล้ๆสิผมจะบอกอะไรคุณความให้ดีๆนะผมบอกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมไม่มีเรื่องแรงเหลืออีกแล้วแล้วเธอก็บอกว่าฉันฟังอยู่นะที่รักเมีอะไรเ่ะก็บอกเธอว่าให้จำมาไว้เสมอในทุกๆเชา้าเวลาตื่นขึ้นและศีรษะคุณจะพ้นจากหมอนคุณจะมีสิ่งที่ต้องการทุกอย่าง ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเราผมจะให้ท่านฟังอีกครั้งมีเรื่องน่าสนใจเมื่อหลายวันก่อนในลอสแองเิสมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกผมว่าสามีของเธอตายไป ร, ราลาสักปีหนึ่งพร้อมบริเวนที่ดีบนเตียงที่เขาเสียชีวิตเขาพูดว่ามาใกล้ๆสิผมจะบอกอะไรคุณ ฟังให้ดีๆนะผมบอกได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมไม่มีเรี่ยวแรงเหลืออีกแล้วฟังให้ดีๆนะเธอก็บอกว่าฉันฟังอยู่นะที่รักมอะไรเหรอเขาบอกเธอว่าให้ฟังดีๆนะเอาไว้เสมอในทุกๆเชา้าเวลาตื่นขึ้นและศีรษะคุณจะพ้นจากหมอนคุณจะมีสิ่งที่ต้องการทุกอย่าง นี่คือคนที่กำลังจะตายแล้วก็บอกภรรยาบอกได้คำเดียวแล้วก็ตายเลยในทุกๆเช้าเวลาที่ศีรษะคุณจะพ้นจากหมอนคุณจะมีทุกอย่างแล้วก็ตายถ้านี่คือขุมทรัพย์ที่เขาจะบอกต่อให้ภรรยาที่มีชีวิตอยู่ผมถามว่า เรานักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยรู้เรื่องที่เขาพูดไม่เนี่ย ของภูเขาคือส่วนที่อยู่เหนือพื้นผิวนั่นคือจิตสํานึกมันเป็นจิตที่เลือกได้เป็นจิตแห่งการประธรรมส่วนที่อยู่ใต้พื้นผิวซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของภูเขานั้นคือจิตใต้สํานึกมันเหมือนกับเรอดำน้าคุณจะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาให้คุณได้เห็นจิตใต้สํานึกมีพลังเหนือกว่าจิตสํานึกผันเท่าทอ o r เรทรันเดอร์ส เกิดที่ไหนในใจเสียงกระทบอยู่ที่ไหนในใจกลิ่นสัมผัสริมรถใจที่คิดเกิดที่ไหนในใจขณะที่ศีรษะคุณจะพลจากหมอนแสดงว่าตอนนั้นทุกอย่างที่คุณมีคุณมีอยู่แล้วครบแล้วเพราะ โลกนี้ทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ตายแล้วถ้าจิตใต้สำนึกมีพลังขนาดนั้นอะไรที่ควบคุมมันหลักให้คุณคิดว่าทุกคนในโลกนี้ที่คุณรู้จักกำลังลากกระเป๋าเดินทางอยู่ข้างหลังพวกเขารหัสทางอารมณ์ เป็นวิธีที่จะตัดกระเป๋าพวกนี้ออกไปได้พวกกระเป๋าต่างๆหรือสัรพะที่คุณแบบมันเอาไว้ทั้งชีวิตผลสุดท้ายของมันก็คือคุณจะตัวเบามากขึ้นและสามารถาเผชิญกับโลกในทุกๆมิติได้ไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามลองนึกว่าการอยู่ในโลกที่ทุกคนแสดงให้เห็นถึงตัวตนของเขาจากใจที่บริสุทธิ์ดูสิแล้วคุณจะรู้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากจะเป็นอช ในสิ่งที่จะต้องสูญเสียเพื่อค้นพบในสิ่งที่ต้องการฉันเชื่อจริงๆว่าอารมณ์ที่ถูกกักไว้และความบอบช้ำทางจิตใจประสบการณ์ของชีวิตที่ไม่ถูกกลั่นกรองซึงถูกเก็บไว้ในระบบประสาทของเรา เป็นบ่อกเกิดของทุกสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดมันไหลเข้าไปนในจิตไร้สํานึกที่ไม่มีการกั้นกรองนะจำไว้มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดอะนักวิทยาศาสตร์พวกนี้นักจิตวิทยาพวกนี้ก็กําลังเฝ้าสังเกตแล้วก็วิเคราะห์นี่คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาก็เอาออกมาบอก อย่างแรกเลยการจะเข้าใจการทํางานของรหัสทางอารมณ์ได้คุณต้องเข้าใจว่าร่างกายมนุษย์ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากพลังงานอย่างเช่นถ้าคุณมองมือมือคุณเหมือนเป็นของแข็งแต่ถ้าคุณขยายมืออีกสักล้านเท่าคุณจะเจาะมองไปที่แต่ละอะตอมแล้วมองเข้าไปในอะตอมหน่วยนั้นๆคุณจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากพื้นที่ว่างและพลังงานขนาดเล็กไม่มีที่สิ้นสุดนักปฏิบัติ ของเรายัางว่ามือของเราอยู่เลยฝลั่งบอกไหนมือของเรามองเข้าไปแตกออกแตกออกมีแต่ความว่างเป็นแค่สนามพลังงานเท่านั้นเองเพราะอารมณ์คือการบันทึกของอดีต แล้วถ้าอารมณ์ถูกเก็บเอาไว้ในร่างกายลนะ่ะร่างกายเราก็จะจมอยู่กับอดีตซึ่งมันคือจิตไร้สํานึกถ้าเชื่อว่ามันอยู่ในสิ่งว่าล้อมเดียวกัน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีร่างกายนั้นจะอยู่ในอดีตอย่างแท้10ปีในวิชาชีพผมผมถ้ามีใครสักคนอกหักแล้วก็จมอยู่ในอดีตแล้วก็คิดแต่เรื่องอดีตแล้วก็เศร้าจมทุกเ์อ่างนั้น ที่เขาบอกว่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนี่ความรู้สึกของจิตใจของเราจิตไร้สํานึกเนี่ยจะเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกในอดีตนั้นตลอดเวลาแล้วเมื่อนั้นความรู้สึกนั้นจะจมในอดีตจนกลายเป็นความจริงทั้งๆ ท, ที่อดีตไม่มีอยู่จริงแต่เพราะการที่หลงคิดแล้วก็จมอยู่ในอดีตจิตจะจมแช่อยู่ในอดีตอย่างแท้จริง จากนั้นจะก่อพฤติกรรมแล้วก็นิสัยขึ้นมากลายเป็นคนเกลี้ยกล่อกลายเป็นคนอมทุกข์ไปเป็นคนซึมเศร้าจิตทั้งหมดจะจมดิ่งลงเลยจากของไม่จริงตัวตนก็ไม่มีอยู่จริงอดีตก็ไม่มีอยู่จริงทำจนดูเหมือนจริงเลย กับคนที่ป่วยที่สุดในโลกนี้คนที่ถูกบอกว่าไม่มีวิธีรักษาโรคของเขาได้ประเภทคนที่ทรมานจากโรคมะเรง็งโรคเหนื่อยล้าเรื้อรังโรคโปวดกล้ามเนือ้อโรค SLE ที่ผมค้นพบคือจิตใต้สำนึกเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจสาเหตุพื้นฐานว่าทำไมคนเราถึงได้เจ็บป่วยด้วยโรคนั้นตอนนี้การก่อตัวของจิตใต้าสานึกได้เติบโตเต็มที่ระยะเวลา7ปีถูกโปรแกรมด้วยอารมณ์และความทรงจา จะจะเริ่มต้นตอนคุณเกิดคุณเริ่มเข้ารหัสสิ่ง ต, ต่างๆทั้งจากประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีจิตใต้สํานึกจะเก็บทุกอย่างเอาไว้เก็บจนมันกลายเป็นความจริงในจิตสํานึกของคุณจิตใต้สํานึกตั้งแต่เล็กจนโตมันจะเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บแล้วมันคลายออกจนกลายเป็นความจริงในจิตสํานึกของเราทั้งๆ ท, ที่มันผ่านไปหมดแล้ว ทุกๆช่ชีวิตต่อมาของคุณเองเราสร้างทุกอย่างที่เราอยากจะสร้างได้ถ้าจิตของเราหดหูเราก็จะรู้สึกหดหูในใจถ้าคุณเจ็บปวดในใจคุณก็มีสิ่งที่ช่วยคุณเชื่อว่ามันเจ็บปวดได้จริงๆผมพบว่า9 0้ของการปวดที่เราพบเจอมาจากอารมณ์ที่ถูกกักเอาไว้ผมว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนรู้แต่ว่าไม่อยากจะพูดออกมาในทางการแพทย์ด้านตะวันตกเมื่อคนเจ็บปวดในตะวันตก เราก็ให้ยาเพื่อที่จะระงับความปวดเหล่านั้นและเมื่อเขาเป็นโรคเราก็ให้ยาเพื่อจะระงับอาการของโรคนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงอาการเหล่านั้นคือสิ่งที่บอกว่ามีบางอย่างผิดปกติมันคือภาวะขาดสมดุลที่เราต้องเจอมันคือสัญญาณที่บอกว่าสุดท้ายโรคและความไม่สมดุลเหล่านั้นล้วนมาจากอารมณ์ที่เราเก็บกักเอาไว้ตอนนี้ก็ได้พบแล้วว่า ทุกโรคที่คนเป็นมาจากจิตใจของตัวเองท่านจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพราะการกักเก็บอารมณ์ทั้งหลายเอาไว้ความทุกข์ทั้งหลายที่ถูกเก็บเอาไว้จะกลายเป็นจุดกําเนิดที่ไปสร้างโรคต่างๆที่จุดต่างๆของร่างกายตัวเองเดี๋ยวจะมีคาอธิบายเพิ่มกว่านี้เขาไม่ได้พูดเฉยๆ พนักวิทยาศาสตร์เวลาศึกษาจะศึกษาเข้าไปจริงๆพลังงานลบเหล่านั้นอยู่กับเราหลังจากเหตุการณ์ที่บอกช้ำทาง จ, จิตใจที่เราต้องผเผชิญมาในชีวิตนั่นเองความเครียดและก็ความไม่สบายใจที่เข้ามาในชีวิตของเราทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนโลกของเราก็เปลี่ยนไปด้วย น่าประหลาดใจจริงๆที่มันสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในโลกของเราใบนี้นะ่รับเมื่อโลกภายในบอชบช้ำเจ็บปวดมันจะส่งผลออกมาสู่โลกภายนอกด้วยเนื่องจากรูปนามเนี่ยเป็นพลังงาน ดีจะดูดดีเข้าหาเลวจะดูดเลวเข้าหาชั่วจะดูดชั่วเข้าหาถ้ามีใครสักคนมีความรู้สึกว่าไปทงไหนก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือมีแต่คนคอยดูแลทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักกันเลยดีจะดูดดีเข้าหาถ้าใครก็ตามรู้สึกว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนที่ไม่ถูกใจเลย ทำอะไรมีแต่คนกันแกล้งอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนกันแกล้งจิตใจของท่านหน้าเป็นหัวชั่วจะดูดชั่วเข้าหาเร็วจะดูดเร็วเข้าหานี่คือธรรมชาติของทา่าธรรมชาติของท่าที่อยู่บนโลกถ้าชีวิตเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยก็บอกอะไรได้ตางอย่างทำไมชีวิตฉันถึงได้เจอแต่คนห่วยๆทั้งนั้นเลย นั่นก็กำลังบอกอะไรบางอยา่างพวกเราหลายคนถูนิยามโดยประสบการณ์นในอดีตและเราอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นนะครับอารมณ์เหล่านั้นเป็นเพียงแค่บันทึกในอดีตเท่านั้นเมื่อเราตระหนักได้เราก็จะสามารถละวางตัวตนทางจิตทางจิวเวลล่ารทางพัตุกรรมจากนั้นก็จะเริ่มสร้างตัวเราในแบบใหม่ขึ้นมาเมื่อวานฉันฉลาดฉันจึงอยากเปลี่ยนโลก วันนี้ฉันฉเฉลียวฉันจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองแทนดึกเ อ, อีจริงตอนฉลาดอยากจะเปลี่ยนโลกร้อนสร้างแออยากอยู่สบายสร้างบ้านซื้อของซื้อเตียงซื้อทุกอย่างอย่างดีพอวันนี้ฉเฉลียวเปลี่ยนตัวเองดีกว่า นี่แหลพอเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างจบไม่ต้องอยากให้ใครไม่ต้องอยากให้อะไรมาเป็นดั่งใจเปลี่ยนใจทั้งอย่างจบไม่มีอะไรนั่นแหละคือความสุขนี่ในสมัยโบราณเขารูา้อารมณ์ทางลบมันจะถูกเก็บเอาไว้ในร่างกายของเรานั่นแหละครับ แล้มันก็จะทรงผลต่อสภาวะร่างกายและรวมไปถึงการทำงานของอวัยวะต่างๆอีกด้วยร่างกายของคุณก็คือจิตร้ยสต ก, กมันไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ในชีวิตของคุณที่สร้างการตอบสนองทางอารมณ์และอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นมาจากความคิดล้วนๆซึ่ร่างกายมันจะคิดว่านี่เป็นสภาวะแวดล้อมเดียวกัน วันแรกๆผมบอกว่าอะไรรูปเวทนาสัญญาสำคัญเขาเรียกนามมารูปนามมารูปคือสิ่งเดียวกันไม่สามารถแยกกันได้ไม่สามารถแยกกันได้เราไปนึกว่าเป็นนามกับเป็นรูปแต่จริงๆมันคือสิ่งเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันมันไม่เคยมีรูปไม่เคยมีนาม เพียงแต่เมื่อพลังงานเข้ามาอัดตัวกันมันจึงเกิดกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าของแข็งหรือสาสารขึ้นมาสสารคือพลังงานที่อัดตัวกันเข้ามาเข้าใจไหมเพราะ <c oughs> ไอนสไต์เข้าไปเห็นตรงนี้จึงได้รู้เลยว่าการที่ พลังงานเข้ามาอัดตัวกันจนกลายเป็นของแข็งหรือเป็นสสารหรือเป็นธาตุขึ้นมาได้จะต้องอาศัยพลังงานจํานวนมหาศาลเพื่อจะทําให้มันอัดตัวกันเข้ามาได้เป็นแบบนี้ดังนั้นในทํานองเดียวกันถ้าต้องการพลังงานจํานวนมหาศาลต้องหาทางปลดปล่อยห่วงโซ่นี้ออกแล้วมันจะปลดปล่อยพลังงานจํานวนมหาศาลออกมาไอซายจึงพบ ปฏิกิริยาลูกโซ่ในยูเรเนียมพระพุทธเจ้าพบเรื่องนี้มาตั้ง 2,600 ปีแล้วท่านถึงเรียกว่านามรูปนี่ไม่ใช่ร่างกายของเราถ้าจะพูดให้เข้ากับเดี๋ยวจะได้ฟังเขารู้เรื่องนี่คือสนามพลังงานที่เข้ามาอัดตัวกันอย่างแน่นเหนียวเหนียวแน่น กุจะใช้คําว่าเป็นสิ่งที่ปัจใจปรุงแต่งขึ้นเพียงแต่ใช้สับคนละตัวผมถึงบอกว่าปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายของจริงในโลกได้ทั้งหมดเรื่องไม่มีอะไรเลยนี่ไม่เคยเป็นเราเลยดังนั้นเมื่อสนามพลังเข้ามาอยู่ตรงนี้ทุกความคิดทุกอารมณ์คือสนามพลังทั้งนั้น จึงเข้าไปรบกวนสนามพลังที่มีอยู่เดิมจึงทำให้สนามพลังเนี่ยทำงานติดขัดเกิดความร้อนขึ้นเกิดอะไรขึ้นจากอารมณ์เสียทุกอย่างสนามพลังงานจึงเข้าไปปั่นป่วนสนามพลังงานเดิมกันหมดเนี่ยคือที่มาทั้งหมดของโรคภัยไข้เจ็บทุกคนก็พยายามกินยากินยาเข้าไปก็อย่างที่บอก่า ก, กินยาก็แค่ระงับการปวดระงับอะไรต่ออะไรกันไปเรื่อยๆ ต้นเหตุที่แท้จริงมาจากของที่อยู่ในใจนี่แหละแล้วแต่ละคนก็ตายไปตายไปตายไปตายไปอายุจะยืนจะสั้นก็มาจากเรื่องพวกนี้ทีนี้พอเข้าใจตรงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดอะไรบางอย่างให้ฟัง จะรู้เลยว่าทำไมมนุษย์ในอดีตถึงมีอายุยืนยาวทำไมมนุษย์มนุษย์ที่จะเกิดต่อจากพวกเราต่อไปเนี่ยพระเจ้ายถึงได้ตรัสว่าเขาจะมีอายุสั้นลงจะเหลือสิบปีเพราะสนามพลังงานนี้ถูกรบกวนด้วยอนุสลอย่างรุนแรงเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ท่สารเคมี อันเกิดจากความเครียดจะทําให้ยีนของเราทํางานผิดไปจึงก่อให้เกิดโรคมันคือความจริงแม้แตระเปิดราตาตสนองแต่ควเครียดที่เกิดจากความคิดล้วนเคมีพวกนั้นทําให้เราป่วยตามที่ยามนละความคิดก็ทําให้เราป่วยได้เช่นเดียวกันเนื่องจากความคิดหรืออารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันได้หลั่งสารเคมีมันทําให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารเคมีออกมาเป็นปฏิกิริยา ซึ่งถ้าในทางลบมันก็ทำให้เราเจ็บป่วยแต่ถ้าในทางบวกมันก็ช่วยรักษาอาการต่างๆถ้าเรายอมให้สารเคมีหรืออารมณ์เหล่านั้นคงอยู่ซึบเนื่ อ, องไปชัโมเป็นวันมันจะกลายเป็นอารมณ์ใช่ไคุณถามเพื่อนสักคนหนึ่งว่านายเป็นอะไรน แล้วเขาบอกว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วคุณถามต่อว่าทําไมถึงอารมณ์เสียเขาอาจจะตอบว่าก็เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อหวันก่อนแล้วผมก็ยกังจำอารมณ์ในตอนนั้นได้อยู่นะซิตอนนี้ถ้าเรายากเก็บอารมณ์นั้นเอาไว้จนเวลาผ่านไปนานเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนมันก็จะกลายเป็นสภาพเป็นภาวะทางอารมณ์นั่นคือสิ่งที่จะบอกว่าทําไมบางคนถึงได้เจ้าอารมณ์นะักหรือว่าคุณจะบอกว่าไม่รู้ทําไมคุณถึงโกรธ เขาจงบอกว่าก็เพราว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับผมเมื่อก้าวเดอนที่แล้วและผมก็ยังรับรู้ถึงอารมณ์นั้นอยู่และต้องปปล่อยให้มันอยู่อีกไปนานเป็นปีก็จะกลายเป็นนิสัยถึงตอนนั้นก็จะเข้าใจได้ว่าการจะเปลี่ยนภพกิเลสภาพหรือว่าบางแง่มุมของตัวเราจะต้องมองไปที่อารมณ์ที่เราจะจำให้ได้แม่นยำจนเก็บและนำมันไปไว้ในร่างกายของเรานั่นเองเราเข้าใจว่าพลังของจิต ได้ถูกพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าสา ม, มารถรักษามันได้ครั้งแล้วครั้งแล้วหลายครั้งอาตาดีนหมอหรู้ว่าการวิจัยบางชิน้นรอให้กลุ่มตัวอย่างกินยาป ล, มปลอมๆแล้วก็ปล่อยให้การวิจัยดำเนินต่อเพื่อพิสูจน์ว่าจิตใจของมนุษย์สา ม, มารถรักษาตวัวเองได้ทั้งท่านที่มีคนไข้ได้รับก้อนน้ําตายหรือได้รับ ก, การผ่าตัดปลอมๆไปตาปฏิกริยายาพิษได้ผลตรงกันข้ามก็คือพวกเขาจะได้รับยาจริงการผ่าตัดจริงแต่ว่าการตอบสนองการรักษาของเขาไม่ดีขึ้น คนัองกลุ่มนี้ทําไปสิ่งเดียวกั น, นแต่ว่าจากมุมมองคนละด้านพวกเขาใช้รูปแบบสากลของความเชื่อหรือว่าการสร้างความคิดซึ่งมันคือตอนที่เขาได้รับก้อนดันตานเข้าไปอนในใจเขาคิดไปเองได้เห็นสัมผัสเราาก็ว่าเขาได้รับการรักษาและมองว่าก้อนดันตา น, นี้น่าจะให้ผลดีโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพียงแค่ก้อนดันตานตการทดลองนี้มีอยู่จริงๆ เอาคนป่วยที่รักษาไม่ได้แล้วคือรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วก็รู้สึกว่าเข้ามาหาหมอบ่อยมากหมอไม่หายทีไม่หายทีหมอเอาละตอนนี้ได้คนพบยาตัวนที่เชื่อว่าหายแน่นอนสำหรับโรคของคุณเนี่ยตรงเป๊ะแล้วก็จ่ายยา คือผลการทดลองนี้ได้ผลมากนะเขาบอกกับคนไข้สร้างความเชื่อมั่นคนไข้ก็กินยาต่อเนื่องแล้วก็มาพบหมอทุกอาทิตย์อาการดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหมอก็จะ <c oughs> เพิ่มตัวนี้ก็ไปอีกตัวนะ <c oughs> กินต่อท่านรู้เปล่าว่าตอนนี้ท่านกำลังกินยาปลอมคนที่ไปหาหมอบ่อยๆจนหมอเห็นแล้วว่า คนคนนี้ไม่ได้ป่วยป่วยที่จิเขาพยายามคิดว่าเขาป่วยไม่ยอมหายสถิทีหมอไม่จ่ายยาแล้วนะจ่ายแป้งเพราะถ้าให้ยาต่อไปเนี่ยตับไตไส้พุงพังแน่ดงั้นจ่ายแป้งไปกิ น, นแล้วคนไข้เกือบทั้งหมดบอกว่าอาการดีขึ้นไม่ใช่การทดลองนะหมอทั้งโลกใช้วิธีนี้อยู่นะ ท่านไม่รู้หรอกว่าหน้าตาแผนยาของท่านข้างในมันคือแปลแล้วก็ดีวันดีคืนเลยเพราะผลวิจัยออกมาแล้วว่าคนป่วยทั้งหมดป่วยที่จิตคิดเอาเองว่าคู่ไม่หายแต่พอได้อะไรสักอย่างได้แรงบันดาลใจได้กำลังใจกินเข้าไปหายเลย หายเลยหายเอาหายเอาเนี่ยปฏิกิริยาเนี่ยส่วนอีกพวกหนึง่งเขาเรียกปฏิกิริยายาพิษเนี่ยคือพวกที่คิดว่าตัวเองไม่หายรักษาก้อนแล้วทำอะไรก่อนแล้วผ่าตัดก็แล้วไม่เคยหายเลยเพราะมันฝังใจว่ามันไม่หายทำยังไงก็ไม่หายพวกนี้เขาเรียกปฏิกิริยายาพิษรักษาจริงแต่ไม่หายอีกพวกหนึง่งปฏิกิริยาเนี่ย เมื่อกี้ผมลืมไปแล้วก็คือให้ยาปลอมแต่หายเขาจึงรู้เลยว่าตอนนี้พลังของการรักษามาจากจิตเพราะว่าในใจของเขาก็รักษาตัวเองจนสามาที่จะหายได้ส่วนปฏิกิริยายาพิษก็คือการที่เขาได้รับยาจริง นึกว่ารักษาไม่หายท่อนพ่ อ, อ ร, รู้ไหมครับพรู้ว่าเขาคิดไปเองเขาเห็นเขาคิดแล้วจดจําตลอดว่ามันจะไม่หายจนเชื่อว่าตัวเองกําลังจะตายและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจงานวิจัยแสดงให้เห็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งได้รับรังสีปลอ ม, ลอมซึ่งมันไม่ใช่รังสีเลยด้วยซ้ำหนึ่งในสามของกลุ่มทดสอบกลับมีผมร่วงออืให้เข้าห้องรังสีปลอม หนึ่งในสามผมล่วงเลยคิดทุกวันตายแล้วกูดังสีเอ็กซเรย์ดูคงอันตรายหน้าดูคิดจนหัวลูปผมล่วงเลยนะหนึ่งในสามผมล่วงไปเลยก็ดูแล้วกันนะวันนี้อะไรที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตเนะ่ยมาจากนี่ทั้งนั้นนะวางไม่เป็นเย็นไม่ได้ลนะ่ะ มันเป็นเพราะว่าพลังของจิตพลังความเชื่อและพลังการคิดไปเองทําให้เราเกิดการรักษาหรือว่าทําลายคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรผิดปกติแค่สร้างประสบการณ์ที่เคยมีในจิตขึ้นมาโดยที่อาจจะรู้หรือไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงก็ตามถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองรู้สึกและอยู่กับสติในปัจจุบันสงสัยต้องให้ฝรั่งมาสอนนมั้งฮะ เขาคิดเงินแทงกว่ายุคพุทธนะถ้าเขาเปิดคอสกันเนี่ยทุกอย่างจะไปไปได้ในโลกไอ้แบบที่เราเห็นภาพลวงอันสวยงามที่เรามองเห็นฟังดีๆนะท่านอาจจะฟังก็ไม่ทันนะพวกนี้ลึกหมดนะภาพลวงอันสวยงามที่คุณเห็นเข้าใจยังท่านมองผมท่านมองโลกเคยเห็นของจริงไหมไม่เคยภาพลวงอันสวยงามที่คุณเห็น เห็นไหมว่าทุกคำที่เขาพูดไม่เคยพลาดพวกเรายังตามไม่ทันเลยนะมันยืดหยุ่นได้ เ, เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สนุกไปด้วยได้แล้วก็สนุกไปด้วยได้คือฝรั่งเอาสุขเป็นหลัก ถามว่าดูเหมือนเขาจะเห็นอะไรต่ออะไรแย่ๆไปหมดแล้วเขาก็เข้าใจเรื่องของจิตเรื่องของความว่างว่านี่คือสนามพลังงานไม่ใช่ตัวตนทำไมฝรั่งถึงไม่้นทุกข์เพราะเขาดู ด้วยความเป็นตัวตนต่อให้เขาจะเข้าใจว่านี่เป็นเพียงสนามพลังงานแต่เขาจะมีเขาอยู่คนหนึ่งที่เข้าใจทุกอย่างแล้วผมนึกบอกว่าถ้าปฏิบัติธรรมแบบที่กำลังทรรมกันโดยมี เราเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปสังเกตเราเกิดปัญญาเราเข้าใจเราจะจบแบบเดียวกันกับที่ฝรั่งเห็นดีไม่ดีเห็นสู้เขาไม่ได้ด้วยเห็นสู้เขาไม่ได้ด้วยเข้าใจได้สู้เขาไม่ได้ด้วยแถมติดแป๊กอยู่ที่เดียวกันอีกคือตัวตนถ้าปฏิบัติอย่างนี้จบเหตุปฏิบัติด้วยสมุทัยกันหมด ไม่มีปฏิบัติด้วยมัคเลยไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำเลยใช้สติใช้สมาธิใช้รู้ใช้เข้าไปดูเข้าไปสังเกตใช้นั่งสมาธิกันอย่างเดียวเลยไม่มีการละกิเลสไม่มีการตั้งจิตไว้เป็นสัมมาทิฏฐิอะไรไม่มีเลยมีสักคำหนึ่งที่เป็นไตลรลักษณ์มั้ยไม่มีเลย มีแต่รู้มีแต่เห็นมีแต่เข้าใจอย่างเดียวอธิบายทุกอย่างได้เป็นชอดชอดชช อ, ชอเรื่องจิตเรื่องพลังของจิตเรื่องสนามพลังเรื่องความว่างโมเลกุลอธิบายได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าศึกษาแบบนี้นะพระเจ้าไม่เคยตรัสอะไรอย่างนี้เลยผมเพียงแต่จะเปิดประเด็นให้เห็นเท่านั้นเองว่าฝรั่งเข้าใจรูปนามจริงเหรอ ดูเหมือนนะเมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไปเมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามก็หาผลอานิสงส์ไม่ได้ เพละ ก, กิเลสตันหามิได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิอกเมื่อรู้ว่าเป็นกองเปลิงกก็รีบออกหนีจึงจะพ้นความร้อนถธอรู้ว่าตัวตกเข้าอยู่ในกองเปลิอแต่มิได้พยายามที่จะหลีกหนีออกจะพ้นจากความร้อนความไหมอย่างไรได้ข้ออุปมานี้ฉันใดบุคคลผู้รู้แล้วว่าสิ่ง น, นี้เป็นโทษ แต่ไม่ได้ละเสียกว่ามไม่ได้พ้นจากโทษเหมือนกับผู้ไม่พ้นจากกองเพลิงฉะนั้นดูก่อนอาหนุนผู้รู้แล้วและไม่ได้ทําตามมันจะนับว่าเป็นคนรู้ไม่ได้เพราะไม่เกิดมรรคเกิดผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเราจะถาคตอนุญาตตั้งาศาสนธรรมคําสั่งสอนไว้นี้ก็เพื่อว่าเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นโทษ ให้ละเสียมิใช่ตั้งไว้เพื่ออ่านเล่นฟังเล่นพูดเล่นเท่านั้นเลยบุคคลทั้งหลายได้สวยทุกข์ในมนุษย์และในอบายภูมินั้นไม่ใช่สิ่งอื่นเลยเป็นเพราะกิเลสราคาตันหานั้นอย่างเดียวถ้าบุคคลผู้ยังไม่พ้นจากกิเลสราคาตันหาได้ตราบใดก็ยังไม่เป็นผู้พ้นจากอบายทุกข์ได้จนตราบนั้น ถูกคนทู่ไม่ได้พ้นจากกิเลสราคะตัณหาลัมจะทําบุญให้ฐานสร้างกุศลอย่างแข็งแรงเท่าใดก็ดีก็จักได้สวยความสุขในมนุษย์เสียโลกและเทวดาโลกเพียงเท่านั้นที่จะได้สวยสุขในพระนิพพานนั้นเป็นอันไม่ได้เลยถ้าพระสงค์ต่อพระนิพพานแท้ให้โกนเกล้าเข้าบวชในพระศาสนาในว่าบุรุษหญิงชาย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 แล้วตั้งใจเจริญสมาธวิปัสสนาอย่าให้หลงโลกหลงทางถ้าไม่รู้ทางพระนิพพานมีแต่ตั้งหน้าปรารถนาเอาเท่านั้นก็จักหลงขึ้นไปในอรูปภพชื่อว่าหลงโลกหลงทางไปในภพต่างๆให้ห่างจากพระนิพพานไปการทําบุญกุศลทั้งหลายนั้นไม่ใช่ว่าจะทําให้บุญนั้นพาไปในที่อื่น ทำเพื่อระงับดับกิเลสอย่างเดียวอยากเข้าใจว่าทําบุญกุศลแล้วบุญกุศลนั้นจะยกเอาตัวนําเข้าไปสู่พระนิพพานเช่นนั้นหาไม่ได้ทําเพื่อระงับกิเลสตัณหาแล้วจึงจะไปพระนิพพานได้กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่ทําให้ดับใครจะมาช่วยดับให้ ตนเงาเข้อมูลของกิเลสตัณหาอยู่ที่เราถ้าระดับไม่ได้ก็ไม่ถึงซึ่งความสุขในพระนิพพานท่านั้นนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงกิเลสตัณหามาจากการทำอะไรอะไรที่ตามใจตัวเองจนเคยคุ้น เมื่อไม่ได้ดั่งใจก็จะเกิดโทสักพอได้ดั่งใจก็จะเกิดโลภะตัณหามากขึ้นตอกลิ้มซ้ำย้ำลงอีกเ็นมาปฏิบัติธรรมถ้ายังต้องได้ดั่งใจถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้ดั่งใจแล้วก็มีความทุกข์ ปฏิบัติไ ป, ปเสียวเวลาเปล่าปฏิบัติแบบนี้ไม่เคยที่จะฝึกจะฟื้นจิตใจของตัวเองที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาคุูเจ้าจึงบอกว่ารู้แล้วไม่ปฏิบัติตามไม่นับว่าเป็นคนรู้ แต่นับว่าเป็นคนหลงอะไรก็เหาะแยะอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่สู้หลงโลกหลงทางนึกมาตัวเองดีตัวเองเก่งตัวเองรู้ สงบคิดจะเกิดก็แคบของเกิดดับใจสงเจ็บปวดกัญชาจะเกิดก็เกิดไปเป็นธรรมชาติของมันใจสงบอย่าให้จิตเข้าไปเกาะเกี่ยวปุพันก็ไปของเกิดดับที่วนไปเวียนมา แค่เห็นเข้าใจความจริงว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองแค่ของเกิดตับไม่ได้มีตัวตวนอะไเจ็บปวดกันชา้าก็เป็นสภาพธรรมตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาตามกระบวนการทำตามหน้าที่ของกายเท่านั้นอของระบบประสาทไม่ได้มีเราเข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ด้งดึงว่าเป็นทุกข์นั้นจิตสงบสง บ, บตั้งมั่นอยู่จะปวดจะเจ็บจะคลันจะชามันก็เป็นของธรรมชาติมีมาตั้งแต่เด็กจะไปทุกข์อะไรกับมันความคิดก็เป็นธรรมชาติเกิดเกิดดับๆไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปวุ่นวายด้วยของเกิดดับจะเกิดก็เกิดไป อยาเกิดก็เกิดอยากดับก็ดับจะไปเกี่ยวทำไมจิตใจตั้งมัน่นสงบจิตที่ฐานไว้รู้ลมหายใจไปใจก็สงบสงบสงบสงบ พลังจิตก็จะเพิ่มขึ้นความเข้มข้นก็จะเพิ่มขึ้นความตั้งมั่นก็จะเพิ่มขึ้นสมาธิความสงบก็จะมากขึ้นไม่เข้าไปเกาะเกีเ่ยวผูกพันกับความคิดกับความเจ็บปวดกับความคันชาทั้งหลาย สว่างสะอา สะอาดอะไรทิ้งนะใจสงบลืมตาใจสงบแล้วก็ค่อยๆขยับกายขยับใจสงบอย่าให้ใจสงบอยู่ในการนั่งสมาธิใจสงบอยู่ในทุกๆที่ทุกๆแบบของอิริยาบถ ขยับก็เพื่อลดเวทนาทางกายลงก็แค่นั้นเองนะเจ็บปวดคันชาก็บรรเทาทุกข์มันลงด้วยการสรับเปลี่ยนท่าทางแต่ใจก็สงบไม่ได้ไปสุขทุกข์กับมันนะเวทนาทางกายลดลงก็ไม่ได้แปลว่าต้องสุขนะก็สงบอยู่อย่างนั้นแหละต้องฝึกอย่างนี้ฝึกนะอย่างนี้แล้วอะไรต่ออะไรมันก็จะทําอะไรใจไม่ได้นะ ไม่ใช่ว่าต้องสุกต้องทุกข์ไปกับมันเรื่อยๆแต่เนื้อแกว่งไปเรื่อยชีวิตอยู่สงบสงบจะขยับก็ขยับไม่ใช่ว่าต้องทนเราทนเพื่อเห็นความจริงไม่ใช่มาทรมานกายทนเห็นความจริงครึ่งชงั่วโมงชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร ให้จิตหัดวางวางนะอย่าให้เวทนาทางกายส่งผลไปที่เวทนาทางใจถ้าเวทนาทางใจทางกายเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นอยู่กับความสงบไหนละเวทนาทางใจไม่มีเข้าไปใกล้ขึ้นไปอีกนิดนึงก็นะนะพระเจ้าตัดไว้นะ ในอรารยะสาวกผู้สดับเมื่อเกิดเวทนาทางกายจะไม่เกิดเวทนาทางใจก็จะมีเวทนาทางกายเกิดไม่เกิดเวทนาทางใจสุขใจก็เวทนาทางใจนะไม่ใช่ต้องทุกอย่างเดียวเพราะฉนั้นก็ไม่ได้ยินดียินร้ายเราเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้กดข่มเพื่อจะให้เกิดองเบรคขาอะไรนะแค่เห็นความจริงก็ว่างลง ก็เท่านั้นเองจะขยับก็ขยับไปใจสงบลืมตาใจก็สงบหลับตาใจก็สงบนั่งอยู่ในท่านั่งสมาธิใจก็สงบเดี๋ยวขยับลุกขึ้นเริ่มเดินไปใจก็ยังสงบสังเกตการเดินไปเคลื่อนไปด้วยสัมปชัญญะใจก็ยังสงบนี่แหละอยู่อย่างนี้ ทีมีคนถามว่าก็เหมือนกับประคองหม้อน้าที่เต็มเปี่ยมแล้วก็คอยระมัดระวังไม่ให้น้ำกระฉอกออกแบบนี้แหจนกระทั่งมันเข้าเลือดเข้าเนื้อทำอะไรใจก็สงบอะไรกระทบขึ้นมาก็เห็นความจริงตามธรรมชาติทีนี้ก็เห็นง่า ย, ยแล้วจิตตั้งมั่นใจสงบ มันก็หลงไหลไปเรื่อย